คุณพระเจ้านะครับสำหรับโอกาสที่ประธานให้ผมได้มาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ากับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในตอนบ่ายวันนี้นะครับพี่น้องสบายดีไหมครับพี่น้องครับองค์พระเยซูคริสต์ทรงตรัสกับหญิงชาวสมาเรียที่มาตักน้ำที่ริมบ่อน้าในพระธรรมกิตติคุณยอนบทที่สี่ข้อยี่สามถึงยีสอย่างนี้ว่าแต่วลานั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและผู้ที่นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงถ้าพี่น้องสังเกตให้ดีเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เรามักจะพบอย่างนี้ว่าส่วนใหญ่พระคัมภีร์จะพูดถึงสิ่งที่มนุษย์สอบและแสวงหา เช่นพระกัมพีพูดถึงพ่อค้าที่ไปส่อหาเพชรนินจินดาอย่างดีที่สุดแล้วก็ขายทรัพย์สมบัติแล้วก็ไปซื้อเอาสิ่งนั้นมาพระกมพีพูดถึงมนุษย์แสวงหาทรัพย์สินเงินทองสิ่งของที่อันิจจ์ในโลกนี้รวมทั้งพูดถึงนักปราดที่แสวงหาสติปัญญาในชีวิตของเขาแต่มีน้อยครั้งเหลือเกินที่พระกัมพีจะกล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงแสวงหา และเราก็ได้พบอย่างนี้ว่าหนึ่งในบรรดาสิ่งที่พระเจ้าทรงเสาะและแสวงหา น, านั้นนั่นก็คือพระองค์ทรงเสาะและแสวงหาคนที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและด้วยความจริงพี่น้องครับอะไรก็แล้วแต่ที่พระเจ้าทรงแสวงหาพี่น้องว่ามีความสําคัญไหมสําคัญไหมแน่นอนที่สุดต้องมีความสําคัญอย่างแน่นอนในที่นี้บรงพีบอกว่าพระเจ้าทรงเสาะแสวงหาคนที่นมัสการพระองค์ ด้วยเหตุนี้การนมัสการพระเจ้าจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งต่อชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนในเวลาที่เรานมัสการพระเจ้านั้นจะมีการร้องเพลงมีการอธิษฐานมีการขอบพระคุณมีการเทิดทูนรวมทั้งยกย่องและ ส, สรรเสริญพระเจ้าด้วยถ้าถามว่าคําสรรเสริญเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากอะไรถ้าเราไปสอบถามคนเหล่านั้นหรือถามตัวของเราเองแล้วก็จะพบว่า ส่วนใหญ่คำสรรเสริญมักจะไหลล้นออกมาจากใจของเราเป็นใจที่เปี่ยมล้นด้วยความชื่นชมยินดีเป็นใจที่สำนึกในพระคุณและทราบซึ่งในเวลาสิ่งดีมากมายที่พระเจ้าได้ทรงประทานหรือทรงกระทำในชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางสิ่งบางอย่างที่เกินกว่ากำลังและความสามารถของเราที่เราจะสามารถกระทาได้พี่น้องอยังจาผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับในพระคัมภีร์เดิม เธอชื่อว่าฮันนาเป็นภรรยาของเอ็นคานาฮันนาเป็นหมันมาเป็นเวลาหลายปีสมัยนั้นคนที่เป็นหมันนั้นถือว่าไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้านางฮันนามีความรู้สึกกรัดกลุ้มใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมากจนครั้งหนึ่งเมื่อเธอขึ้นไปถวายเครื่องบูชาพร้อมกับสามีของเธอนั่นเองเธอได้เทใจในการอธิษฐานต่อพระเจ้าในเรื่องนี้และพระเจ้าก็ทรงฟังคาวิงวอนของเธอเธอตั้งครรภ์และมีบุตรชาย ข้อต่อมาชื่อว่าซามูเอ็นพระมีบอกว่านางฮันนาได้เลี้ยงดูจนกระทั่งยานมให้กับซามูเอ็ซึ่งคาดว่าอาจจะอายุประมาณสองขวบแล้วจึงพาลูกมามอบถวายให้กับพระเจ้าตามที่เธอได้สัญญาไว้เมื่อเราอาร่านในพระธรรมหนึ่งซามูเอ็บทที่สองข้อที่ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปนะครับจะเป็นบทเพลงที่สรรเสริญพระเจ้าที่ออกมาจากหัวใจของนางฮันนาผมยกเฉพาะข้อหนึ่งข้อสองซึ่งเป็นข้อความกล่าวอย่างนี้ว่า นางฮันนาได้อธิษฐานได้กล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าชื่นชมในพระเจ้าในพระเจ้ากําลังของข้าพเจ้าก็เข้มแข็งปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเปรมนปรีในความรอดของพระองค์ไม่มีผู้ใดบริสุทธิ์ดังพระเจ้าไม่มีผู้ใดนอกเหนือพระเจ้าไม่มีศิลาใดเหมือนพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายพี่น้องครับ บทเพลงสดุดีบทที่150ก็เป็นอีกบทเพลงหนึ่งที่คนยิวใช้ในการยกย่องและสรรเสริญพระเจ้าในระหว่างการนมัสการพระเจ้าของพวกเขาถ้าท่านสังเกตให้ดีท่านก็จะพบอย่างนี้ว่าในบทเพลงสดุดีบทที่150นี้จะขึ้นต้นด้วยอะไรครับขึ้นต้นด้วยข้อความที่ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดและก็จบลงด้วยข้อความที่บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด จริงๆแล้วก็อยากจะบอกกับเราว่าไม่ใช่มีเพียงเฉพาะบทเพลงสดี์บทที่150เท่านั้นที่ขึ้นต้นและและลงท้ายด้วยข้อความที่ว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดท้านั้นกลับไปดูตั้งแต่บทเพลงสดีบทที่หนึ่งร้อและรวมทั้งบทที่5้ารเป็น5บทด้วยกันบทเพลงทั้ง5บทนั้นล้วนแต่เชิญชวนให้เรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ จึงอยากจะพาเรามาพิจารณาเรื่องการสรรเสริญพระเจ้าที่พระธรรมบทนี้ได้สอนกับพวกเราทุกคนในตอนบ่ายวันนี้หัวข้อคําเทศนานะครับในบ่ายวันนี้ชื่อว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเราจะอ่านจากพระธรรมสดุดีบทที่150ข้อ1ถึงข้อ6นะครับสดุดีบทที่150ข้อ1ถึงข้อ6กล่าวว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานน้ำมศการของพระองค์ จง ส, สรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จง ส, สรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพ ของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลัมนาและการเต้นลาจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงชิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดข้าพงษ์ทั้งหลายขอบคุณโปร่งที่พปร่งให้เกียรติแก่ชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการนมัสการและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุด บ่ายวันนี้ขออวยพรพระคําของพระองค์ที่จะสัมผัสกับหัวใจของเราทั้งหลายทุกคนเมื่อเราจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคําของพระองค์ขอพระองค์ตรัสกับเราทั้งหลายขอให้พระวจนะของพระองค์นาการเปลี่ยนใหม่มาสู่ชีวิตและความคิดของเราเพื่อเราจะเข้าใจในน้ําพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนนั้นจะนํามาซึ่งการยกย่องและสรรเสริญแด่พระนามันบริสุทธิ์ของพระองค์เจ้า เราจึงขอฝากมอบทุกสิ่งเหล่านี้ไว้กับพระองค์ในพนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบ่อยครั้งที่เราอ่านหนังสือมาจนกระทั่งจบเล่มนะครับเราก็จะพบว่าหนังสือหลายๆเล่มมักจะจบลงด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าบทส่งท้ายหรืออีพิล็อกนะครับบทส่งท้ายของหนังสือเป็นตอนสั้นๆตอนหนึ่งในตอนท้ายของหนังสือเล่มนั้น ภายในบทส่งท้ายนี้จะมีการสรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญสําคัญของหนังสือเล่มนั้นรวมทั้งอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจบางประการตลอดจนการนําเสนอการท้าทายต่อผู้อ่านทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนั้นด้วยถ้าจะว่าไปแล้วบทเพลงสุดีบทที่150ก็ไม่ต่างอะไรกับบทส่งท้ายของพระธรรมสดุดีทั้งเล่มถึงหนึอยห้บทนั่นเอง พอประธรรมสดุดีบทนี้นั่นเองได้สรุปเนื้อหาสําคัญที่สําคัญของบทเพลงนมัสการของคนอิสราเอลโดยเน้นหัวข้อหลักในเรื่องการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าและให้คําแนะนําแก่เราว่าทําอย่างไรเราจึงจะสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ได้รวมทั้งหยิบยื่นคําท้าทายให้แก่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นบทเพลงที่มีท่วงทํานองที่ล่าเริงยินดีและแซ่ซ้องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับการสรรเสริญพระเจ้าคืออะไร การสรรเสริญพระเจ้าก็คือการที่เราหันมาสนใจกับสง่าราศีของพระเจ้าแล้วเพลงเสียงด้วยความชื่นชมยินดีในสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อเราในอดีตที่ผ่านมานั่นเองถ้าท่านสังเกตให้ดีประธรรมสะดุดีบทที่150จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดเพียงแค่6ข้อเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากเพราะว่าเราได้พบข้อความที่บอกให้เราสรรเสริญพระเจ้า ทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้ว13ครั้งด้วยกันนะครับพูดง่ายๆก็คือข้อหนึ่งมีมากกว่าสองครั้งด้วยกันนะครับบ่ายวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันความจริง4ประการที่สำคัญจากพระธรรมสดุดีบทที่150กับพวกเราทั้งหลายทุกๆคนนะครับประการที่1ถามว่าใครคือผู้ที่เราสมควรยกย่องสรรเสริญข้อหนึ่งวักแกล่าวว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิด เพราะฉะนั้นพระกมบีบอกกับเราชัดเจนคําตอบก็คือผู้ที่เราสมควรจะยกย่องสรรเสริญไม่มีใครนอกเหนือจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นไม่ใช่รูปเคารพไม่ใช่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ใช่นักปราบผู้เปี่ยมล้นด้วยสติปัญญาไม่ใช่นักการเมืองหรือนักอะไรต่างๆในโลกนี้ไม่ใช่อะไรอย่างอื่นนอกจากพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประชวรอยู่ผู้ทรงรักและห่วงใยเอาใจใส่ต่อความเป็นไปทุกๆุกอย่างในชีวิตของท่านและของข้าพเจ้าว่ากันตามจริงแล้วแม้แต่สิ่งเล็กน้อยที่ตัวของเราเองอาจจะไม่ได้สนใจก็ตามแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เคยเล็ดลอดไปจากสายพระเนตรที่เปี่ยมล้นด้วยความเมตตาและความห่วงใยของพระองค์เลยแม้แต่น้อยพี่น้องจําได้ไหมครับพระเยซูได้ทรงตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่10บข้อสาว่า ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้นบางคนในห้องประชุมนี้อาจจะผมดกนะครับบางคนอาจจะมีปัญหาผมบางนิดหน่อยนะครับแต่ไม่ว่าบนศรีรษะของท่านจะมีผมอยู่กี่เส้นพระกัมภี์บอกว่าพระเจ้าได้ทรงนับไว้เรียบร้อยแล้วผมอยากดูมือนะครับมีใครบ้างที่นั่งนับผมของท่านบนศรีรษะแล้วมีไหมครับ <laughs> ไม่มีแม้แต่สักคนเดียวเลยนะครับนั่นแสดงว่าเรารู้สึกว่าการนับเส้ผมบนศีรษะของเรานั้นไม่เป็นสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเราจริงๆที่แม้แต่ตัวของเราเองก็ยังไม่เคยเอาใจใส่ด้วยซ้าไปแต่ขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเอาใจใส่ห่วงใ ย, ยแม้แต่ในสิ่งที่เรามองข้ามไปด้วยซ้าไปไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์ยังทรงตรัสใน มัทธิวบทที่10บข้อยีบก้าว่านกกระจาบสองตัวเขาขายบาทหนึ่งไม่ใช่หรือแต่ถ้าพระบิดาของท่านไม่ทรงเห็นชอบนกนั้นแม้สักตัวเดียวจะตกลงถึงดินก็ไม่ได้พระบพีบอกว่าแม้แต่นกกระจาบที่มีค่าเป็นเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมันการที่มันจะตกลงถึงพื้นดินถ้าพระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบ มันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้พูดง่ายๆว่าทุกสิ่งเหล่านี้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าตลอดเวลาเราทั้งหลายทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นั้นล้วนแต่มีคุณค่ามากยิ่งกว่านกกระจาบแน่นอนที่สุดโปรองค์ต้องสอดส่องดูแลเราอยู่ตลอดเวลาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงสรุปในข้อที่31ออย่างนี้ว่าเหตุฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านทั้งหลายก็ประเสริ่กว่านกกระจาบหลายตัวเราทุกคนล้วนแต่มีคุณค่า ในสายพระเนตรของพระเจ้าอาเม็นไหมครับพี่น้องนะครับพี่น้องครับอยากบอกอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตคริเสเตียนของเราไม่มีอะไรที่เล็กน้อยเกินไปที่พระเจ้าไม่ทรงเอาใจใส่แล้วก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ใหญ่เกินไปที่เกินกว่าความสามารถที่พระองค์จะสามารถช่วยเราทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่สมควรที่เราจะยกย่องและสรรเสรินพระองค์ในชีวิตของเรา ความจริงประการที่สองจากพระธรรมสดุดีบทที่150ก็คือใครคือผู้ที่เราผู้ที่ควรจะสรรเสริญพระเจ้าข้อที่หนึ่งว่ากลางกล่าวต่อไปบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานน้ำมศการของพระองค์คําว่าในสถานน้ำมศการของพระองค์มีความหมายหมายถึงในบริเวณพระวิหารของพระเจ้าซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการน้ำมศการท่ามการคนอิสราเอลดังนั้นพี่น้องครับ คนกลุ่มแรกที่ควรจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าก็คือใครก็คือคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรเอาไว้คนที่ได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าเพราะพวกเขาคือคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราคงจําได้ว่าครั้งหนึ่งเมื่อคนอิสราเอลตกเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์ใช่ไหมแต่พระเจ้าทรงใช้โมเสสนําพวกเขาออกจากอียิปต์ปลปล่อยพวกเขาออกจากการเป็นทาสพระองค์นําพาเขาให้ข้าม ทะเลแดงและให้คนอิสราเอลเดินผ่านไปบนดินแห้งนั้นยิ่งไปกว่า น, นั้นพระองค์ยังทรงประทานพระบัญญัติ10ประการตลอดจนกฎเกณฑ์ต่างๆในการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเขาพระองค์ทรงพาพวกเขาเดินข้ามแม่น้ําจอแดนยึดเมืองเยริโค ร, รวมทั้งแผ่นดินคานาอันอีกด้วยพวกเขาได้เห็นและมีประสบะการณ์กับพระเจ้าอย่างมากมายถ้าจะมีใครที่ควรจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าก็คงจะไม่มีใครที่สมควรอย่างยิ่ง มากยิ่งไปกว่าคนเหล่านั้นที่รู้จักกับพระเจ้าก็คือคนอิสราเอลนั่นเองแต่สำหรับเราทั้งหลายทุกคนในสมัยพันธสัญญาใหม่นี้สิ่งที่พอเทียบเคียงได้กับพระวิหารก็คือคึ้จักรซึ่งอัครทูตเปาโลได้เรียกว่าครอบครัวของพระเจ้า เปโลได้กล่าวในหนึ่งตีโมธีบททีท่3ามก็สว่าถ้าข้าพเจ้ามาช้าท่านจะได้รู้ว่าควรประพฤกษอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้าซึ่งเป็นคุณสักรของพระเจ้าผู้ทรงประชนเป็นหลักและเป็นลากฐานแห่งความจริงดังนั้นเราทั้งหลายทุกคนที่อยู่ในยุคพันธสัญญาใหม่นี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าคือท่านและข้าพเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราทุกคนซึ่งได้มาเป็นประชากรของพระองค์ที่มาอยู่ร่วมกันในคุณสักรของพระองค์นั้น พระองค์อยากให้เราพากันยกย่องและสรรเสิร์นพระองค์และนมัสการพระองค์เช่นเดียวกันยิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่ต้องการที่จะให้คนที่รู้จักพระองค์ยกย่องสันนเสรินพระองค์เท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงปรารถนาให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือทูตสวรรค์ก็ตามยกย่องและสันนเสรินพระองค์ด้วยด้วยเหตุนี้นั่นเองในวัคท้ายของข้อที่หนึ่งจึงกล่าวต่อไปว่าจงสันนเสรินพระองค์ในพื้นฟ้าอันอานุภาพของพระองค์ พื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์คืออะไรก็คือท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลจากทิศตะวันออกจดทิศตะวันตกจากทิศเหนือจดทิศใต้ครอบคลุมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างนั่นเองพระเจ้าจึงไม่เพียงแต่ต้องการให้คนที่รู้จักกับพระองค์ยกย่องสรรเสริาพระองค์เท่านั้นพระบีบอกกัเราบอกว่าวันหนึ่งข้างหน้าทุกสิ่งในสากลจักรวาลนี้จะก้มลงกราบนามัสการพระเจ้าและยกย่องพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ของเรานะครับ เหมือนที่เปาโลได้กล่าวในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองนะครับฟิลิปปีบทที่สองข้อที่1 0บถึงสิว่าเพื่อที่ว่าพระพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะทุกลงกราบพระองค์และเพื่อว่าเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายเกียรติแก่แต่พระบิดาเพราะฉะนั้น เราซึ่งรู้จักกับพระเจ้าเราควรจะนมัสการพระเจ้าแต่พระเจ้าก็ยังอยากจะให้เราออกไปบอกกับคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์เพื่อทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในสากลจักรวาลนี้วันหนึ่งจะสามารถสันนิษฐานและยกย่องพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้ได้ความจริงประการที่สมจากพระธรรมสดีบทที่150ก็คือทําไมเราจึงต้องสันนิษฐานพระเจ้าในข้อที่สองนั่นเอง พระคัมภีร์ได้ให้เหตุผลกับเราสองประการว่าทําไมเราจึงควรจะสรรเสริญพระเจ้าเหตุผลประการที่หนึ่งที่เราควรจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะกิจการอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้ทรงกระทําข้อสองวักแรกได้กล่าวอย่างนี้ว่าจงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันอนุภาพของพระองค์ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทําแล้วมีมากมายมหาศาลเราพูดกันทั้งบ่ายทั้งคืนนี้ก็คงจะไม่จบ แล้วเอานิดๆหน่อยๆก็แล้วกันเริ่มต้นตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้าก็แล้วกันพี่น้องครับท่านเคยไปต่างจังหวัดไหมเคยไหมเคยไปต่างจังหวัดและเคยอยู่ในทุ่งนาที่ไม่มีแสงนีออนไม่มีแสงไฟอะไรเลยแต่เป็นเดือนที่ท้องฟ้าข้องข้างปลอดโปร่งไม่มีดวงจันทร์ด้วยถ้าท่านแง้มตาขึ้นไปมองดูท่านก็จะเห็นภาพคล้ายๆกับที่ผมฉายให้ดูอยู่บนโปรเจคเตอร์นี้นะครับ ถ้าท่านแง้ตาขึ้นไปมองดูท่านจะเห็นกลุ่มดาวเรียงตัวกันอยู่ในลักษณะเป็นเหมือนกับก้นหอยอยู่ในท้องฟ้ากลุ่มดาวที่ว่านี้นักดาราศาสตร์เรียกว่า Milky w เวก็คือทางช้างเผือกนั่นเองซึ่งเป็นกาแล็กซี่ซึ่งมีโลกและสุริยะจั ก, กรวาลของเราเป็นสมาชิกอยู่ในกาแล็กซี่อันนี้นักวิทยาศาสตร์บอกกับเราต่อไปอย่างนี้บอกว่าในทางช้างเผือกอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้เนี่ย จะมีดวงดาวอยู่ไม่มากนะครับประมาณ100ล้านล้านดวงนะครับ1น0รล้านล้านดวงก็100่บวกด้วยเลขศูนย์อีก6ตัวอีกอีกตัวนะครับเฉพาะในกาแล็กซีของเราและนักวิทยาศาสตร์ยังประมาณการต่อไปบอกว่าใน u ู i v e ว s e ์หรือในเอกภพของเราเนี่ยไม่ใช่มีแต่เพียงทางช้างเผือกอันเดียวเท่านั้นที่เป็นกาแล็กซียังมีกาแล็กซีอื่นๆที่คล้ายๆกับทางช้างเผือกเนี่ยอยู่อีก1ล้านล้าน กาแล็กซีนะครับนะนักดาราศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าความสามารถของมนุษย์เท่าที่มีอยู่ในทุกวันนี้ยังไม่สามารถที่จะนับจำนวนดวงดาวบนท้องฟ้าได้เลยแล้วพี่น้องคิดดูสิครับว่าเอกภพหรือยูนิเว s ร์สของเราที่ดวงดาวต่างๆมากมายเหล่านี้ ก, ะกระจายอยู่นั้นมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ส, สักแค่ไหนนักวิทยาศาสตร์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราบอกว่าเฉพาะกาแล็กซีของเรานะครับก็คือทางช้างเผือกเนี่ย ทางช้างเผือกของเรากาแล็กซีของเรานักวิทยาศาสตร์ได้คํานวณแล้วแล้วบอกกับเราอย่างนี้บอกว่าเราไม่ต้องไปทั่วกาแล็กซีนะครับเราเอาเฉพาะด้านยาวของกาแล็กซีก็แล้วกันของทางช้างเผือกของเราเฉพาะด้านยาวของทางช้างเผือกของเราเนี่ยนะฮะถ้าเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงซึ่งในทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับแสง แต่ถ้าวันหนึ่งนะครับเราสามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่าแสงได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเดินทางได้หน0 0งแหม่ไมล์ต่อวินาทีหรือส0 0 0สนกิโลเมตรต่อวินาทีหรือ700ร้อยล้านไมล์ต่อชัว่วโมงนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจากขอบข้างหนึ่งของทางช้างเผือกไปถึงขอบอีกข้างหนึ่งของทางช้างเผือกคุณต้องใช้เวลาในการเดินทางห 0,000 แปีด้วยกัน พูดง่ายๆก็คือด้านยาวของทางช้างเผือกของกาแล็กซีของเราที่มีสุริยะจักรวาลและโลกของเราอยู่นั้นมีความยาวเท่ากับ1นึ่งแสปีแสงหลายคนถามบอกว่า1นปีแสงนี่มันความยาวยาวแค่ไหนนะครับผมก็ไปลองคํานวณดูนะครับระยะทาง1ปีแสงนี่ก็มีระยะทางเท่ากับ6ล้านล้านใหม่นะครับหล้านล้านใหม่นะครับความยาวของกาแล็กซีของเราก็ หกหนึ่งปีแสนก็ความยาวของกาแล็กซี่ของเราก็เท่ากับ 0,000 นล้านล้านไม้นั่นเองแต่นี้เราบอกห0 0สนล้านล้านใหม่นี่เรายังมองไม่เคยเห็นภาพนะครับก็ผมก็ไปเปิดดูในในในในในกูเกนะครับเขาบอกว่าโลกเส้นรอบโลกของเราถ้าเราเดินทางรอบโลกเนี่ยเราและเส้นรอบโลกของเราจะประมาณ4ี่หมกิโลเมตรหรือประมาณ 25,000 ืหไมล์ถ้าเรา เอาระยะทางนะครับของของของความยาวของทางช้างเผือกของเรามาเทียบกับเส้นรอบโลกของเราเราก็จะพบว่าเส้นรอบโลกของเราเราจะถ้าเราจะเดินทางจากขอบข้างหนึ่งของทางช้างเผือกไปถึงอีกขอบข้างหนึ่งเราต้องเดินทางรอบโลกประมาณ24ล้านล้านรอบด้วยกันเนื้อที่นี้ใหญ่ไหมครับพี่น้องใหญ่แต่อย่าลืมนะครับว่า ทางช้างเผือกเป็นเพียงหนึ่งในหลายล้านกาแล็กซีที่มีอยู่ในจั ก, กรวาลของเราเท่านั้นพื้นที่ที่ดวงดาวเหล่านี้กระจัดกระจายอยู่จึงมีขอบเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นอย่างมากแต่ขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าจะมีดวงดาวและอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลมากมายขนาดนี้ก็ตามพี่น้องทราบความจริงอย่างหนึ่งที่อัศจรรย์ไหมครับพระคัมภีร์บอกกับเราบอกว่า พระเจ้าทรงนับดวงดาวทั้งหมดไว้แล้วและไม่เพียงแต่เท่านั้นพระองค์ยังตั้งชื่อให้กับมันอีกด้วยโอ้มนุษย์ล้ำนับไม่ไหวแต่ว่าพระเจ้าทรงนับไว้แล้วสดุดีบทที่หนึ่งร้ข้อที่4กล่าวว่าพระองค์ทรงนับจํานวนดาวพระองค์ทรงตั้งชื่อมันทุกดวงเมื่อผมนึกถึงตอนที่พระเจ้าพา สัสตว์ต่างๆที่พระองค์ทรงสร้างเนี่ยมาให้อดาดัมตั้งชื่อนะผมว่าอดาดัมนี่ต้องเป็นสุดยอดของนักตั้งชื่อทั้งหลายอย่างแน่นอนนะครับพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อที่สิกล่าวว่าพระเจ้าจึงทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่งและนกในท้องฟ้าให้เกิดขึ้นจากดินแล้วทรงนาํามายังชายนั้นเพื่อดูว่าเขาจะเรียกชื่อมันว่าอะไรชายนั้นตั้งชื่อสัสตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตว่าอย่างไรสัสตว์นั้นก็มีชื่ออย่างนั้น โอ้อาดามนี่เก่งไหมพี่น้องเก่งไหมพระเจ้าบอกว่ า, อ, า, อ, าอันนี้อะไรช้างไอ้ น, นี่อะไรแมวไอ้นี่อะไรเสืออาดามก็ตั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับกี่คนมีลูกแล้วมั่งครับพี่น้องอเวลาต่านตั้งชื่อลูกนี่ท่านอ่านหนังสือไปกี่เล่มครับพี่น้อง <c oughs> คุยกันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งคันจนกระทั่งครอดบางทียังตกลงกันไม่ได้เลยนะครับว่าจะตั้งชื่อลูกว่าอะไรดีนะครับ แต่อาดามนี่ตั้งชื่อสัตว์เหล่านั้นได้ทันทีทันใดแต่เมื่อเทียบอาดามกับพระเจ้าผู้ทรงตั้งชื่อดวงดาวทุกดวงแล้วโอ้ผมว่าอาดามนี่ต้องชิดซ้ายไปเลยนะครับใช่ไหมชิดซ้ายไปเลยผมเองก็ไม่ทราบว่าจะหาคําพูดอะไรที่จะมาบรรยายถึงพระสติปัญญายของพระเจ้าในหน้านี้ได้เลยทีเดียวพระเจ้าทรงกระทําในสิ่งที่มันไม่มีมนุษย์คนใดคนหนึ่งสามารถกระทําได้ แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันนี้ก็ตามพระธรรมอิสยาบทที่40ข้อที่26จึงกล่าวย้ำกับเราอีกว่าจงแงนหน้าขึ้นดูว่าผู้ใดสร้างสิ่งเหล่านี้พระองค์ผู้ทรงนำบริวารออกมาตามจำนวนเรียกชื่อมันทั้งหมดโดยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และพระองค์ทรงฤทธิเ์เข้มแข็งจึงไม่ขาดไปสักดวงเดียวพระเจ้านับไม่ขาดไปแม้แต่ดวงเดียว พระเจ้าไม่ใช่เพียงแต่สร้างดวงดาวมากมายขนาดนี้นะครับแต่พระองค์ยังจัดระเบียบนะครับให้สิ่งเหล่านี้อยู่อย่างระเบียบมีแล้วก็ตั้งชื่อให้มันทั้งหมดแล้วก็มันก็โครจรตามวงโครจรของมันและยึดเหนี่ยวเหนี่ยวเหนี่ยวร่างกันไว้ซึ่งกันและกันอย่างมีระเบียบวิในัยในทุกวันนี้เหนือสิ่งอื่นใดอีกนิดหนึ่งพี่น้องเมื่อเราพิจารณาถึงการทรงสร้างของพระเจ้าเราจะพบว่า การสร้างของพระเจ้านั้นแตกต่างจากการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือบ้านเรือนของเราอย่างมากมายทำไมจึงเป็นอย่างนั้นขอให้เราคิดถึงเวลาที่ท่านจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งท่านทำยังไงครับท่านทำยังไงท่านก็ไปหาสถาปนิกนะครับให้เขาออกแบบบ้านออกแบบบ้านเสร็จแล้วก็คำนวณค่าก่อสร้างเสร็จแล้วท่านก็ไปร้านขายวัสดุใช่หมนะไปซื้ออิฐหินดินทราย ไม้แล้วก็เหล็กนะครับมาบแล้วก็นำมาแปลสภาพให้กลายเป็นบ้านตามที่เราต้องการนี่คือการสร้างบ้านของเราจริงๆไม่น่าเรียกว่าการสร้างบ้านแต่คุณเรียกว่าคุณการเป็นการแปลสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็นสภาพของบ้านต่างหากแต่ในการทรงสร้างของพระเจ้านั้นต้องบอกพี่น้องว่าเพราะองค์ไม่ต้องการวัตถุดิบหรือวัตถุหรืออุปกรณ์ใดๆทั้งสิน้น สำหรับพระเจ้าแล้วพระองค์ทรงสร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงเหล่านี้จากอะไรจากความว่างเปล่าพระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่งเหล่านี้จากความว่างเปล่าเพียงแต่พระองค์ตรัสเท่านั้นทุกสิ่งก็อุบัติขึ้นตามคําตรัสของพระองค์พี่น้องจําปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อสได้ไหมพระบิดกล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างความสว่างก็เป็นไงก็เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มีความสว่างไหมไม่มี ตอนที่พระเจ้าสร้างพระองค์ก็ไม่ต้องการวัตถุดิบอะไรมาเพื่อจะมาทําเป็นความสว่างนะครับแต่ถ้อยคําของพระองค์ก็คือพระวาทะนั่นเองมีฤทธิเดชและอํานาจอย่างสมบูรณ์แบบเพียงแต่พระองค์ตรัสทุกสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพียงแต่พระองค์ตรัสความสว่างก็เกิดขึ้นเพียงแต่พระองค์ตรัส ด, ดวงดาวมากมายมหาสาลเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมีนักศึกษาพระพิภีบางท่านนะครับก็พูดติดตลกนิดนึงบอกว่า ตอนที่พระเยซูเรียกลาสลัสให้เป็นขึ้นมาจากความตายนะครับดีนะครับที่พระเยซูบอกว่าลาสลัสออกมาเถิดพระเยซูไม่ได้บอกว่าคนตายเอ๋ยออกมาเถิดนะครับถ้าพระเยซูบอกว่าคนตายให้ออกมาเถิเเออเดจะไม่ใช่ลาสลัสออกมาคนเดียวแน่นอนนะครับเพราะว่าคําตัดของพระองค์นั้นมีฤทธิ์อำนาจเป็นอย่างมากแม้แต่คลื่นลมเมื่อเจอพระเยซูก็สงบลง เมื่อพระองค์เจอผีร้ายพระองค์ก็ขับไล่มันออกไปวิญญาณชั่วทั้งหลายก็อยู่ภายใต้อำนาจของพระองค์พี่น้องครับถ้าท่านมีโอกาสนั่งลงและคิดทบทวนในชีวิตของท่านท่านก็คงจะระลึกถึงกิจการอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ทรงกระทําเพื่อท่านมากมายเช่นเดียวกันด้วยแต่คงจะไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งนี้นะครับ นั่นก็คืองานแห่งการทรงช่วยไทยมนุษยชาติให้หลุดลอดพ้นจากอำนาจของความผิดและความบาปอย่างแน่นอนไม่มีอะไรจะสมาระสามารถมาเปรียบเทียบกับความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ได้โยนยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาเป็นค่าไถ่แก่เราทั้งหลายทุกคนเพื่อช่วยเราให้หลุดลอดพ้นจากความผิดและความบาปและความตายที่เราสมควรจะได้รับ ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่มีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ใดๆที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ชีวิตของเราได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าคนหนึ่งคนได้ีอยู่ในพระคริสต์คนนั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วเราได้รับการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์เพราะฉะนั้นผู้เขียนพระธรรมสุดีจึงบอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดพี่น้องว่าเราควรสรรเสริญพระเจ้าไหม เราควร ส, สรรเสริญพระเจ้าเป็นอย่างยิ่งเหตุผลประการที่สองที่เราควรจะ ส, สรรเสริญยกย่อง ส, สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่มีอะไรจะมาเทียบเทียมได้วรรคสองตอนท้ายกล่าวว่าจง ส, สรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่อย่างมากของพระองค์เมื่อตะกี้นี้ก็คือตามสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำํำแต่ตอนนี้ผู้เขียนพระธรรมสดุดีบอกว่าให้เราคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เจ้า พี่น้องครับไม่มีใครหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะมาเปรียบเทียบกับพระเจ้าของเราได้นอกจากงานที่พระองค์ทรงทำแล้วพระนามของพระองค์แต่ละพระนามล้วนแต่บ่งบอกถึงพระลักษณะที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งสิน้นเราคงได้ยินนักเทศสอนเราบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัรพันญูญาณหรือออมนิเชนส์นะครับคำนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่าง ทราบทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะปิดบังซ่อนเล่นไปจากพระพักของพระองค์แม้แต่ความคิดที่อยู่ในใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยากจะเล่นซ่อนหากับใครอย่ามาเล่นซ่อนหากับพระเจ้านะครับพี่น้องท่านไม่มีทางหลบพระองค์พ้นอย่างแน่นอนกษัตริยาวิดได้กล่าวในพระธรรมสดุดีบทที่หนึ่ง้อสบเกข้อหนึ่งถึงข้อหอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกขึ้นพระองค์ทรงทราบพระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกลพระองค์ทรงค้นวิถีของข้าพระองค์และการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมด พระองค์ทรงล้อมฆ่าพระองค์อยู่ทั้งข้างหลังและข้างหน้าและทรงวางพระหัตบนข่าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข่าพระองค์สูงนักข้าพระองค์เอื้อมไม่ถึงเราเอื้อมไม่ถึงพี่น้องเมื่อเราคิดถึงถึงความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสรรพัญญูญาณของพระองค์พระสติปัญญาในการอย่างรู้ของพระองค์เป็นสิ่งที่เกินกว่าความเข้าใจในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เดินดินเพียงคนหนึ่งเท่านั้น ไม่เพียงแต่เท่านั้นพระเจ้าของเรายังเป็นพระเจ้าที่ทรงสถิตยอยู่ในทุกขนทุกแห่งด้วยภาษาอังกฤษบอกว่ า, า o m n i p r e s นะครับพระเจ้าสถิตยอยู่ในที่ต่างๆพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันคุณสามารถอยู่สองที่พร้อมกันได้ไหมพี่น้องไม่ได้เพราะเราไม่ใช่พระเจ้าแต่พระเจ้าอยู่พร้อมๆกันทุกขนทุกแห่งได้ ขณะที่เรานมัสการพระเจ้าในการนมัสการภาคบ่ายที่ขึ้นจากวัฒนาพระเจ้าก็อยู่กับพี่น้องคข้าศน์ที่นมัสการพระเจ้าที่โนอว์ลเอที่นิวยอร์กที่เยอรมนีที่ต่างๆในโลกนี้พร้อมๆกันด้วยกษัตราวิดได้บรรยายว่าไม่ว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่หรือทําอะไรก็แล้วแต่พระองค์พบว่าพระเจ้าก็ทรงอยู่ที่นั่นตลอดเวลาท่านได้กล่าวในสดุดีบทที่หนึ่งร้ข้อ7ถึงข้อแปว่า ข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นพระพักของพระองค์ถ้าข้าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตอยู่ที่นั่นถ้าข้าพระองค์จะทําที่นอนไว้ในแดนผู้ตายพระองค์ทรงสถิตที่นั่นนี่คือพระลักษณะอีกประการหนึ่งของพระองค์เจ้าพระลักษณะอีกประการหนึ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดหรือ omnipotent คือพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่มีอะไรที่ยากสําหรับพระองค์และอ่านพบในพระบพีนะครับใช่ไหมพระเจ้าทรงแยกทะเลแดงออกเพื่อให้คนยิวเดินข้ามไปในขณะที่คนอียิปต์ที่ตามมาข้างหลังก็ต้องจมน้ำตายพระองค์ทรงทำให้หลายคนที่เป็นหมันกลับมีลูกและทำให้คนที่มีลูกกลับเป็นหมันอย่างนี้เป็นต้นพี่น้องครับ พระเจ้าอย่างนี้แหละที่สมควรที่เราจะยกย่องและสรรเสริญโปรงเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่มีผู้ใดหรือสิ่งใดจะมาเทียบเทียมกับพระองค์ได้เหมือนที่พระธรรมสดุดีบทที่4 0่ข้อหกล่าวว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าโรงพระองค์ได้ทรงทวีการอัศจรรย์และพระดําริของโปรงแก่พวกข้าโปรงค์ไม่มีใครผู้ใดเทียบเทียมพระองค์ได้ถ้าข้าโปรงค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้วก็มีมากมายเหลือที่จะนับได้ ขอให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่อเมนไหมครับยิ่งใหญ่จริงๆนะครับความจริงประการที่4จากพระธรรมสดุดีบทที่150ก็คือเราจะสามารถสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างไรนะครับในสดุดีบทที่150ข้อ3ถึงข้อ 5, กล่าวว่าจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพินเขาคู่และพินใหญ่ จงสรรเสริญพระองค์ด้วยลำมะนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์งงงงด้วยเสียงฉยิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบในที่นี้ผู้แต่งพระธํรสุดีบทที่150ได้แนะนําให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยสองวิธีด้วยกันนะครับสิ่งแรกวิธีแรกก็คือสรรเสริญพระเจ้าด้วยเสียงดนตรีที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า พี่น้องครับถ้าเราอ่านพระธรรมวิวรณ์เนาะตามนิมิต ท, ที่อัครทูตยอนนะครับได้เห็นในในบนขณะท่านอยู่บนเกาะปัตเตมอร์สนั่นเองเราก็จะพบว่ายอนได้บันทึกไว้ว่าเสียงดนตรีเป็นสื่ออันดับแรกของการ ส, สรรเสริญพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งมีทั้งเสียงของเครื่องดนตรีและรวมทั้งเสียงของการร้องเพลงด้วยยุคตัวอย่างสักตอนหนึ่งก็แล้วกันเช่นในพระธรรมวิวรณ์บทที่ห้ข้อแถึงข้อเได้กล่าวอย่างนี้ว่า เมื่อพระองค์ทรงรับหนังสือนั้นแล้วสัตว์ทั้งสี่กับผู้อาวุโสทั้ง24คนนั้นก็ซุดตัวลงถวายบังคมพระเมสโโปรดทุกคนถือพินและถือขันทองคำบรรจุเครื่องหอมซึ่งเป็นคำอธิษฐานของธรรมิ ก, กชนทั้งปวงและเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ว่าดังนี้พระองค์ผู้ทรงผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือและตราม้วนหนังสือนั้นและกางและแกะ ตราม้วนหนังสือนั้นออกเพราะว่าพระองค์จะทรงเพราะว่าพระองค์ทรงถูกปรงพระชนแล้วและด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้นพระองค์ได้ทรงไถ่คนทุกเผ่าทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศเพื่อถวายแด่พระเจ้าที่นี่เราจะเห็นได้ว่ามีคนถือผินนะครับใช่ั้ยพี่น้องว่าเขาถือผินไว้ทำไมคงไม่จะถือไว้เก๋ๆนะใช่ไหม <laughs> ถือพินไว้ก็เพื่อที่จะเล่น เป็นเครื่องดนตรีบรรเลงเป็นเสียงเพลงออกมายิ่งไปกว่านั้นพระกัมเียังบันทึกว่ามีเสียงร้องเพลงยกย่องสรรเสริญพระเจ้าอีกด้วยพี่น้องครับเครื่องดนตรีต่างๆที่เขียนไว้ในที่นี้ในพระธรรมสดุดีบทที่150ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันมีแตรมีพินเขาคู่มีพินใหญ่มีลำมะนามีเครื่องสายและปีชิงและฉาบแน่นอนที่สุดผมเชื่อว่านี่คงจะไม่ใช่รายชื่อของเครื่องดนตรีทั้งหมด เท่านั้นที่พระเจ้าอยากจะให้เราใช้ในการนามัสการอย่างแน่นอนแต่เชื่อว่าผู้เขียนประธรรมสดุีนั้นได้หยิบยกเอาตัวอย่างของเครื่องดนตรีที่มีใช้อยู่ทั่วไปในสมัยนั้นนะครับยิ่งไปกว่านั้นเครื่องดนตรีในปัจจุบันนี้ก็มีมากมายและมีหลากหลายด้วยแล้วแต่ว่าเราจะมาจากวัฒนธรรมที่แหล่งไหนกันแน่ถ้าพี่น้องเคยไปที่ภาคกลางของประเทศไทยเคยไหมเคยหมยแถวจังหวัดชัยนาท สิงบุรีนะครับเขาก็จะร้องเพลงไทยน้ำมสการนะแสนสุขสันต์วันประชุมนี้แล้วถ้าบางังคือศักดิมีมือละนาดนะครับเขาก็จะเอาละนาดออกมาตีนะครับพี่เนะเอากองออกมาตีนะครับท่านก็จะมีโอกาสสัมผัสกับการน้ำมศการพระเจ้าด้วยเครื่องดนตรีแบบไทยเดิมหลายอย่างด้วยกันที่นั่นสิ่งสาคัญในการใช้เครื่องดนตรีก็คือว่า ไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราใช้เครื่องดนตรีอะไรพี่น้องแต่อยู่ที่ว่าทําไมเราจึงใช้เครื่องดนตรีนั้นต่างหากเราใช้เครื่องดนตรีนั้นทําไมก็เพื่อสรรเสริญพระเจ้าและเราใช้เครื่องดนตรีนั้นอย่างไรก็คือใช้เพื่อที่จะถวายเกียรติยศกับพระองค์นั่นเองสิ่งที่สองที่พระธรรมสุดติบทที่150แนะนําเราในการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าก็คือการสรรเสริญพระเจ้าด้วยการเต้นรําด้วยความชื่นชมยินดี พระธรรมสดุดีบทที่150ข้อ4ี่วคต้นกล่าวว่าจงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมมนาและการเต้นลาก็อยากให้พี่น้องทําความเข้าใจาให้ถูกต้องนะครับนิดหนึ่งว่าการเต้นลาที่กล่าวถึงในพระธรรมตอนนี้หรือในพันธสัญญาเดิมเขาเาเต้นลำไหมเขาเต้นลาแต่ไม่ใช่เป็นการเต้นลาเพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์หรือเป็นการแสดงออกถึงความรักหรือโรแมนติกนะครับ เหมือนอย่างการเต้นรำของคนในโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าในทุกวันนี้แต่เป็นการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อแสดงออกถึงความชื่นชมยินดีแล้วก็ถวายเกียรติยศกับพระเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องผ่านการเรียนรู้แล้วก็ผ่านการฝึกฝนไม่ใช่ทำตามใจของเราเองนะครับและแล้วในที่สุดนั่นเองพระธรรมสว ด, ดีบทที่150ก็จบลงด้วยข้อ6ที่กล่าวว่าจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระเจ้า จงสรรเสริญพระเจ้าเถิดนี่คือคําเชิญชวนและเป็นคําท้าทายคือให้ทุกสิ่งที่หายใจทุกสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพากันยกย่องสรรเสริญพระเจ้านั่นก็คือทุกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในสากลจักรวาลจงสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเขาพี่น้องครับมาถึงตอนนี้ผมก็อยากจะหนุนใจเราให้เราฝึกฝนที่จะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าในชีวิตของเราอาเมนไหม เมื่อท่านฟังดูถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อท่านมีโอกาสพิจารณาถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวของเรามากมายเราสมควรจะยกย่องสรรเสริญพระเจ้าไหมเราสมควรอย่างยิ่งเราควรสรรเสริญพระเจ้าในทุกโอกาสและในทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราด้วยไม่ว่าหัวใจของเราจะพองโตด้วยความชื่นชมยินดีหรือกาลังแตกสลายจากความเศร้าโศกก็ตาม เราก็ควรจะสันนิษฐานพระองค์ไม่ว่าเราจะประสบกับความสําเร็จอย่างสวยงามหรือล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าก็ตามเราก็ควรจะสันนิษฐานพระองค์ไม่ว่าเรากํลาลังมีชัยเหนือศัตรูของเราหรือกํลาลังถูกศัตรูของเราบีบคั้นชีวิตของเราก็ตามเราก็ควรจะสันนิษฐานพระองค์สดุดีบทที่150นี้ได้บอกเราให้เราสันนิษฐานพระเจ้าถึงทั้งหมดกี่ครั้ง13ครั้งด้วยกันในพระอภิภเพียงหข้อเท่านั้น ดังนั้นในทุกฤดูการทุกโอกาสทุกสถานการณ์ให้เรายกย่องและสรรเสริญพระเจ้าของเราครับขอพระเจ้าได้อวยประพั์ให้เรามีหัวใจแห่งการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องอยากยกย่องสรรเสริญสรัยเจ้าไหม อ่าเราใช้เวลานี้ร่วมใจกันออกเสียงแล้วก็ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่สมควรที่จะได้รับการยกย่องอย่างแท้จริงขแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในเวลานี้ที่เราได้มีโอกาสเรียนรู้จาก พระคำของพระองค์เจ้าถึงการที่พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระจนอยู่ไม่มีอะไรจะมาเทียบเทียมกับพระองค์เจ้าได้ขอบคุณพระเจ้าสําหรับกําลังและทุกวันที่พระองค์อยู่ด้วยกับเราทั้งหลายทุกคนแม้เราจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆในชีวิตของเราก็ตามขอให้คําสรรเสริญนั้นล้นออกมาจากในหัวใจของเราเพื่อที่จะเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติยศกับพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงเราขอขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้า ผู้ทรงสมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญจากในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ในทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าไว้พร์กับพี่น้องทุกท่านครับ